พุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสําหรับวันนี้มาพบ ก, กันเรื่องพระมโหสถต่อไปเรื่องพระมโหสถนี่เนื่องในปัญญาวันนี้ก็จะมาว่ากันเรื่องการวินิจฉัยเรื่องไนโคการเตียอย่าลืมนะไนโคการเตีย้ย โคตุนิเะโอคอควายรอจุลาในคนคนแล้วการกอไก่ซราลาลอจุลาแล <c oughs> ้วก็เตี้ยนี่เป็นการใช้เวลาให้เป็นการใช้ปัญญาเร่องนี้นะทุกเรื่องในเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญญาสดๆที่เรียกว่าโหสถรู้ว่าในคนในคนละในคนและการเป็นคนเตีย้ยผิวดํา ผิวดำเป็นมันมันก็หมึกเขามีพัญญาชื่อว่านางทีคะตาลาวันหนึ่งในโคละการบอกกับพัญญาว่าจะไปเยี่ยมบิดามานดาให้จัดเบียงสำหรับการเดินทางไปการเดินทางเคือไปกินในระหว่างกลางแล้วก็เอาขอนมไปฝากบิดามานดาด้วย ี่แสดงว่าในคนการนี้เป็นคนเป็นคนมีความกระตันอยู่รู้คุณบิดามารดาดีความประพฤติเช่นนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าบิดามารดาของเราถึงแม้ว่าจะเลี้ยงเราม า, มาเป็นเงินแสนก็จะสร้างร่างกายของเราขึ้นมได้ให้เติบโตต้องใช้จ่ายเงินเป็นเงินแสนเป็นเงินแสนได้วิชาความรู้อีกม็มาก การเท่าขนมไปให้นิดหนึ่งของไปให้หน่อยหนึ่งถ้าจะเปรียบกับค่าของคุณค่าที่ท่า น, านเลี้ยงเรามามันก็เทียบไม่ได้แต่ได้ ว, ว่าอาศัยกําลังใจที่เรามีความกระตันยูรู้คุณในท่านท่านย่อมดีใจไม่เห็นม่บดมีความรักของท่านมีความกระตันยูรู้คุณที่เรื่องนี้มาเป็นความดีที่เราสร้างกันแบบง่าย ที่จะคิดว่าของนิดของหน่อยพ่อแม่แ้ะมีของดีกว่านี้เยอะยาไปเลยการคิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ถือว่าของนั้นมีค่ามากแค่้อนมันมันเป็นการสแสดงถึงน้ำใจของของลกูกที่มีความกตัญญูรูค้คนกับบิดามารดาหรือไม่เท่านั้นเมื่อพัญญาจัดเสร็จหัวเมียก็ อ, อกเดินทางไปที่แม่ น, น้าแห่งหนึ่งมีกระแสน้าไหล แต่ว่าตื่นฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยเนี่ยนะฝ่ายผัวเป็นคนเตี้ยแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าจะข้ามน้ําไปมีความรู้สึกนึกคิดว่าไอ้น้ําไหลแบบนี้ตัวเราเป็นคนเตี้ยมันอาจจะลึกถ้าอยากข้ามไปมันอาจจะจมตายเช่นใดจึงได้ยืนเปรย์ษากันอยู่กับพัญญาที่ริมฝั่งแม่น้ํา ม้าขนาดนันก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเข็นใจเขาแปลว่าคนจนชื่อว่าในทีฆาปิธิีไอทีฆาเนี่ยยาวไอปิดทีหลังแปลเป็นว่าในในใ น, ในทีฆาปิดิเนี่ยเป็นคนหลังยาวแล้วเป็นคนจนเดินเรียบมาตามชายฝั่ง พอมาถึงตรงที่สองคนพ่อเมียเย็นบทสากันอยู่ผ่มียเห็นในทีคาปิติจึงถามว่าแม่น้ำนี่ลึกหรือว่าตืนจะเอาคนแล้วตอนนี้มาเจอความย่งหรือแล้วเรื่องของมียจะหายดิในทีคาปิติเดาว่าว่าไอ้เจ้าพเมียคนนี้นี่คงจะกลัวน้ำไม่กล้าจะข้ามยังแต่ว่าแม่น้ำนี่มันลึกมาก สัตว์ร้ายก็ชมเอาแล้วแ้อีตาคนละกาเนี่ยจะเป็นคนคีดคลาดอยู่แล้วไปบอกแบบนั้นในความสันสะท้านมันก็เกิดขึ้นสำหรับขวอมียทั้งสองท่านยังถามว่าก็ท่านน่ะจะไปไหนแล้วจ๊ะนายทีฆาบิธิเขบอกว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกันที่จะพูดแบบนี้ก็มองดูเมียเห็นเมียในคนละกาสวย แวเป็นคนสวดสรงดีลักษณะ ส, สมสงสมกับที่เป็นหญิงงามแต่ได้ว่าในคนรักการเป็นคนเตี่ยไอความโลภในเมียเขาก็เกิดขึ้นเม่อฝ่ายพญาสามีคือผมเมตังสองอยังถามว่าท่านจะไปอย่างไรแล้ววะก็ในเมื่อ น, น้ำมันลึกกระแสน้ำก็ไหลยอย่างนี้สัตว์ก็มากฝัดดุก็เยอะจระเข้ก็มากท่านจะไปยังไง ในทีฆาปิติเขบกว่าฉันไปได้เขาเคยข้ามไปมาอยู่สมอเสมอไอสัตว์แถวนี้นมันชินกับฉันคือฉันมีกระถาพิเศษสามารถจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายได้ทั้งผัวท้องเมียรู้สึกดีใจที่นี้พาเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านกรุณาพาเราต้องสองไปด้วยได้ไหม ในที่ค่าพิธีเห็นพอใจดีใจแล้วมาแผนกายของเราสําเร็จที่นี่กล่าวว่าเราจะพาท่านเป็นคราวเดียวสองคนอะไปไม่ได้แล้วขอยไปในทีละคนก็นแล้วกันใครจะไปกับเรา ก, ก่อนก็ได้เพราะว่าการไปนี่มันต้องอุ้มกันไปนี่คือต้องประคองกันไปถ้าอยู่ไกลกันดีไม่ดีสัตว์ร้ายมันจะกัดท่านเข้า ในคนละการอย่บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะคุณพาพัญญาของฉันข้ามไปก่อนแล้วคุณก็กลับมารับฉันที่หลังใม่ทีราการก็รับคำจึงให้นางทีรากาตาจึงให้นางทีพระตาลาขี่คอร์แม่นลงทุนจัดนะไอ้น้ำนี่มันลึกเนี่ยเธอ พันไม่เก่งแช่นทรงตัวเก่งเธอเดินไปได้ไม่ได้เราต้องขี่คอเช่นไปไปนายขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ำทำย่อตัวลงไปต่ำให้เห็นว่าน้ำนั่นลึกแสนลึกในโคละกันยืนมองดูก็คิดว่าแหมเจ้าหนี่ตัวมันยาวมันสูงขนาดนี้น้ำถึงคอแค่กระไล่เข้าจมูก คนสูงขนาดนั้นยังเหลือแต่แท่ขอถ้าหาว่าเราเป็นคนเตีย้ยคนจะไม่มีโอกาสโซได้แน่เลยแมที่ข้าปิติพานาพีข้าตาลาไปถึงฝั่งไม่ น, น้ำก็พูดเกี่ยวอย่างโน้น อ, อย่างนี้จนนานทีนะข้าจนานาทีข้าตาลานะหมดรักในผัวเกา่านี่ในการสัมผัสระหว่างตั้งชายกับหญิงว่าสงนี้มันก็ยุ่งๆอยู่เหมือนกัน เพราะว่าความจริงผัวเก่าเป็นคนเตี้ยนี่พัญญาเขาทรงสยเห็นในนี่ตัวยาวๆก็เลยนิกรักเลยหมดรักผัวเก่าอันนี้ก็มาหลงรักในทีฆาปิธีถึงก็ฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นสามีปัญญากันต่อไปเอาแล้วสไอความรักจะไม่เกิดเสมันเกิ ด, กดได้ไม่ยาวเมื่อเัืงสองข้ามาถึงฝั่งนั่นแล้วก็ชมเชยเชิง ก, กันกัน เอาสเสบียงที่เตรียมมาทีาเมียติดตัวไปมากินต่อหน้าในคนละการในคนละการก็ยืนเชิงเงอมองดูอฝั่งหนึ่งพอสองคนกินเสร็จก็พากันเดินทางต่อไปไม่ฟังเสียงที่ในคนละการแต่คนให้มารับดีแล้วนี่เขาใช้ความขี้ขลาดโนรหลานที่รักจําให้ดีนะคนที่เขามาพูดอะไรให้เราฟัง บอกว่าอย่าน้นดีอย่านี้ดีจงใช้ปัญญาไขควรพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อใครง่ายๆแต่ว่าทางนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใครเลยซะเล ย, เล ย, เลยตัวหาเหตุหาผลว่ามวไม่ควรไม่ควรไอ้น้ำลึกน้ำตื้นแค่นี้เนะี่ยเรายังไม่จําเป็นจะต้องถามเขาอันดับแรกเราค่อยๆเดินลงไปก่อนแต่แสายน้ํามันแรงพอที่เราจะยันตัวได้ไหมถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็ถอยหลังขึ้นมา นี่เพราะอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาในคนละการจรึงได้ต่เสียถ้าเขาเสียเมียนี่มากราทั้ในคนละการเห็นสองคนควงแข่งกันเดินไปก็เกิดโกรธจัดเห็งเขาพาเมียนี้ไปนี่จึงได้ตัดสินใจเอาแล้วตายเป็นตายแล้ววะเมียคนมันหาได้ยากไอเราเป็นคนตุยเนี่ยหาเมียยากร่างมันไม่สวยไม่สง่าพาเขยไมเขา ตัดชินใจว่าตายเป็นตายโดดลงไปในน้ำตั้งใจว่าตายก็ยอมให้ยอมตายเพราะเมียนะก็ต้องคิดความจริงเป็นของหา ย, ยากแต่ก็ไม่แน่นักสำหรับคนที่มีความฉลาดในการพูดก็คงหาไม่ยากเหมือนกันคนโดดลงไปยังรู้น้ำตื้นคิดเงม็มดนว่าเสียรู้คนไปแล้วหนีไหมละ่ะ การไม่พิสูจน์เสียก่อนไม่ใช่ปัญญาคขคนเลียก่อนไม่ทดลองก่อนอยู่ๆก็มาเชื่อเขาเฉยๆไม่ดีระวังสมัยนี้มีคนคอยยุให้รำทาให้โรยอยู่เสมอเมื่อฟังแล้วก็อย่าเข้าไปเชื่อเขาจะไดรีบลุยน้ำไปถึงถึงฝั่งที่ว่าตายจริงให้น้ำมันแค่แค่คอเท่านั้นนี่แกตัวเตี้ยนะ เห็นท่านทีข่ขปาติธีเราอาจจะแค่เอวนะเมื่อขึ้นจะฟังได้ก็วิ่งไปจทันคนทั้งสองคว้าข้อมือนายทีข่ขปาพิถามว่าไออันดาพานันนี่มึงพาเมียกูไปไหนนายที่ข้าติธีก็เอากล่าวว่าไอท้อยนี่เมียมึงมาะไรวะไอคนแคระไอคนีิโด คุแล้วก็ผลักให้ในคนละการกระเด็นไปแล้วก็ทําท่าจะเดินต่อปัดในคนละการหันมาจับข้อมือค้านานทีคาตราดเมียตัวเองก็ถามว่านี่เองจะไปไหนข้าทํางานมาเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียนี่หมายความว่าเขาจะได้เมียเนี่ยเขาต้องรับจ้างทํางานมาถเจ็ดปีจึงจะได้เงินไปแต่งเมีย การโต้ถิงของคนสองสามให้เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนแล้วก็ยืดยื้อกันแย่งยื้อกันไปแย่งกันมามึงก็ดึงกูก็ดึงตอนนี้มันก็อยู่ที่คนกลางไอ้คนกลางใ่ไปรักในที้าตวิจิเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยช่วยดึงซะอีกเจอทั้งดึงกันไปดึงกันมามาใ ก, กล้โรงอันวิจิตสนักงานของท่านมโหสดมันดึกนูหลานที่รัก การตัดสินยังต้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ลองนึกสิลองคล้ครมดูทีนะว่าคนไหนเนี่ยถ้าเราพบประเภทนี้เข้าถ้าเกิดยื้อแย้งสามีพัญญาก็จะจะยั่งเมียกันขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงทั้งที่ผู้หญิงนะเราไปรักเขาเสจแล้วจะตัดสินแบบไหนที่จะถูกต้องว่าใครเป็นสามีพัญญาไม่ออกมาจ้ะ ถ้านึกไม่ออกหรือนึกออกก็ลองทิ้งไว้ก่อนลองฟังต่อไปว่ามโมโหสุดจะทำยังไงท่านมโมโหสถจก็เรียกคนทั้งสามเข้ามาเมื่อไต่ถามได้ความแล้วว่าต่างคนต่างแย่งเมียกันตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรือว่าท่านอาจจะแน่ใจแต่เพราว่าเพื่อให้ความมั่นใจว่าการตัดสินไม่ผิดเกิดขึ้น จะให้แยกกันไปอยู่คนละแห่งนี่ก็เรียกมาถามทีละคนเรียกในทีฆาปิติมาถามก่อนว่าท่านชื่ออะไรในทีฆาปิติก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อทีฆาปิติถ้ า, มาเมื่อสดยิงถามว่าเมียท่านชื่ออะไรตอนในยุ่งแ้วถ้ามาเอิญเขารู้ชื่อเมีย ม, มาก่อนจะว่าอย่างไรนนทีฆาปิติจะอึกอัด ก็ไม่ทันในถามชื่อผู้หญิงที่ตนพามาจึงตอบบอกชื่อไปอย่างอื่นบออิโลโทเลไปความจริงการสอบสวนนี่ไม่ยาก <c oughs> ถ้ารู้จักชื่อก็อาจจะถามท่า น, นอื่นต่อไปได้ถ้านมาโหสถถามต่อไปว่ามารดาวีดาของท่าน น, นชื่ออะไรในดี่คาบิติก็บอกชื่อวีดามารดาของตนทุกขเพราพ่อแม่ของตน ท่านมหสถดตินถามชื่อบิดามารดาคนหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียตอนนี้และลูกหลานที่รักจําให้ดีนะทันทีค้าพิธีเขาบอกชื่อไม่ถูกบอกเปนชื่อใดที่อหนึ่งก็ได้เ้าบอกท่ามโหสถโรดติงให้กําหนดใครทุกคนที่นาที่นันจำถ้อยคําไว้แล้วก็ให้นิ น, นทีค้าพิธีออกไปเรียกในโคละการมาถาม ถามเช่นเดียวเป็นก่อนในโครงการตอบถูกตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาต้องรู้จะเป็นโลกของใครดีไ ม, ดม่ดีก็อาจจะรู้ว่เมียเขาชอบกินอะไรเป็นคนที่มโหโธโศแล้ยิ้มแย้มแจ่มใสเก่งท่านมโหสถดึงเรียกนางทีฆตาลามาถามว่าเธอท่านชื่ออะไรให้ทีฆตานางทีฆตาลาก็าตาาอบว่าดิฉันชื่อทีทีฆตาลาเจ้าคะ ท่านโมโหสดถามว่าสามีของท่านชื่ออะไรนา่ที่ค้าตาราก็ไม่ทันรู้จักชื่ อ, อกันจะได้โผล่สักพีเดี๋ยวโผล่ใหม่ลืมถามชื่อไอความรักมันเกิดขึ้นหมายว่าก็เดี๋ยวเดียวเท่านั้นถามไม่ทันก็บอกชื่อผิดไม่ตรงกับในไม่ไม่ได้บอกว่าเปรียที่ค้าปิติท่านโมโหสดถามว่ามารดาบิดาของท่านชื่ออะไร นางที่ฆาตตาลาก็บอกชื่อมันดาบิดาของตนท่านมโหสดจึงถามว่าบิดามัน ด, ดาของสามีของท่านชื่ออะไรนางที่ฆาตาล่าไม่รู้ว่าในตัวยาวนั้นพ่อแม่ชื่ออะไรก็บอกไม่ถูกบอกไปชื่อหนึ่งท่านมโหสดบันดิตจึงได้สักถามทั้งทุกคนแล้วจึงได้เรียกนายที่ฆาวิติกับในคนใายการมาพร้อมกันแล้วก็ถามขึ้นต่อหน้ามหาชนว่า คอนน่อยคข้านามธีฆาตาลาเนี่ยสมคำข้านายธีฆาปิติหรือว่าสมกับคำข้านายโคลการคําว่าสมกัหมายตรงกับคําของใครมหาเชนก็ตรั ว, ว่ามันตรงกับคําข้านายโคลการถรามหาสดียในตัดสินว่าในโคลการเป็นสา ม, มขนานีข้านางธีฆาตาลาส่วนในธีฆ า, าปิตินั้นเป็นอันธพาล ท่านตัดสินแล้วจึงให้หันมาถามในทีค่าติจิรว่าคำตัดสินของเราเนี่ยมันถูกหรือไม่ถกูกในทีค่าพิิก็รับสารภาพแล้วก็นำนางที่ค่าตราไปมอบเครแต่กายในโคนลนการในโคนลนการจะได้เมียกลับคืนแมแต่ความจริงเธอเป็นน้องโป่แล้วไม่ยอมรับเป็คนแบบนี้นี้ไม่ดีแกอีกไม่กี่วันจะวิ่งตามในที่ค่าพิิไปมันก็จะยุ่ง อราตามเรื่องของเขาเพาว่าถ้อยคําตัดสินของเขาสดเป็นที่ถูกใจแล้วบางที่ถูกจะมันเป็นการถูกต้องบรรดาบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นและคนทั้งหลายเล่านั้นก็พากันเสริญว่าเป็นคนฉลาดหาใครที่มีได้สําหรับในโคลาการก็พาปัญญากลับไป จำบรรดาอาหม า, า, หาทั้งหลายที่คอยจ้องดูเหตุการณ์อยู่เห็นปัญญาธรรมอรู้สถดีอย่างนี้เจ้าสรงข่าวไปให้พระเจ้ญญาวิเทหราชทรงทราบเพื่อควรจะรับมาได้อย่างเจ้าเท่าสารพัสพิชี่คนนี่เซนกเป็นต้นได้กล่าวถูงว่าคนที่เชื่อวชาเป็นนักปราชญการใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ ยังไม่สมควรจะพ่งรับเข้ามายังหาเชื่อว่าเป็นนักปราดที่แท้จริงมหมดูดูคนที่อิชาร์ดิสยาเขาน่ะเป็นแบบนี้นะนุ่มปูจะเล่าเรื่องไปเสเรื่องหนึ่งก็น่ากเวลาจะไม่พอเอาลองรีบรีบนะตอนนี้ก็มามินิจฉัยเรื่องของรถมีบรุษคนหนึ่งนำรถออกจากบ้านเพื่อจะไปจิตระภายนอก ท้าวสกตะปราปราธนาย่อยเป็นให้ปัญญาอนุภาพของมโหสถบันฑิตกระจยายกระจรทั่วไปทั้งทิดทุกทิศยิ่งแปลงเพศเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถตำราวจเอนไว้ข้ามสกตะในหมายความว่าอินนะตำรวจนั่นก็ถามว่าท่านมาจับรถของเร า, า ท, ทําไมท่าพระอินก็แปลงกระตับว่าเพื่อให้เพื่อไปเป็นเพื่อนของท่านรดยคนนั้นพูวันดีแล้ว ถ้ากันนั้นท่านจงขึ้นมาบนรถนี้ก็แล้วกันแล้วก็เฝ้ารถไว้ให้เราด้วยเราจะไปถ่ายอุจจาระพูนแล้วก็ลงจากรถไปถ่ายอุจจาระท้าวสกัดขึ้นหมดแล้วก็ขับหนีไปในรถสมัยนั้นมันเป็นรถมา้ารู้ว่าุษเจ้าของรถเมื่อถ่ายเซ็จแรกออกมาเห็นท้าวสกัดแลงพารถหนีไปเจ้งได้รีบออกจากติดตามตะโกนให้หยุด แล้วก็ลองถามว่าแกจะเอารถของฉันไปไหนตรวอินก็แปลงก็ตอบว่ารถคันนี้มันเป็นรถของฉันไม่ใช่รถของแกเทียงกันไปถึงก น, นมาจนต้องถึงที่มโหสถบัณฑิตกําลังเล่นอยู่ถ้ามโหสถมันดิตเรียกคนทั้งสองเข้ามาแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่าคนนี้เป็นตะอินแน่แล้วเพราะลักษณะท่าทางกล้าหารองอาจตาไม่กพิษอย่าลืมนะยักษ์คนดีเทวดาคนดีตาไม่กระพิษ ทั้งั้นแแต่ว่าเทวดาตาไม่กับพิจาวตาสดใสเป็นร่ากายน่ารักถ้ยักก็ตาแดงอีกคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าของรถแต่เพื่อการวินิจฉัยให้ชัดแจ้งแก่บรรดามหาชนอ๋อสดจึงถามเหตุที่ไหว้กันก็เพื่อทราบแล้วยังถามต่อไปว่าท่านทั้งสองน่ะจะยอมฟังค่อยคำการตรัดสินของเราหรือไม่ เมื่อนับคําตอบจากคนน้งสองว่ายอมท่านตัดสินถูกต้องเรายอมรับเพราะสดยังบอกว่าเราจะให้คนขับรถไปท่านน้องสองจับท้ายรถผู้ปฏิบัติเป็นเจ้าของรถจะไม่ยอมปล่อยถ้าผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็จะจับปล่อยพนะูดแล้วยังชายคนหนึ่งขึ้นไปขับร ถ, รถเขาขีมานะท่านสองจับท้ายรถวิ่งตามไป มูรุดเจอของรถวิ่งไปได้หน่อยหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยไม่ไหวปล่อยยลรถยืนหอบแพ็คแขกไฟสะอิแนแปลงเนี่ท่านเป็นเทวดาก็ไปกับรถไม่ยอมปล่อยทำเอาหัวสดมันเด็ดยิ่งสั่งให้รถกลับเมื่อรถกลับมาถึงจึงแจ้งให้มหาชนทราบวา่าทนาหลายมูรุดคนนี้วิ่งไปกับรถได้หน่อยหนึ่งก็เหนื่อยปล่อยรถอีกคนหนึ่งวิ่งไป กลับรถกลับมากับรถไม่มีเหนื่อยไม่หอบเหนื่อยก็ไม่ออกทั้งไม่มีความสะทกสะทานตาก็ไม่รกระพริบนั่นคือเท้าสกัดถืวราชได้พระอินทร์ตอนนี้นปูต้องพูดเร็วหน่อยนะเพราะเวลามันเรือน้อยจะไม่ทันถ้าโมโหสดบันิตจินัยมาถามเท้าสกัดคือพระอินทร์แปลว่าท่านเท้าสกัดราชขอโทษท่านเป็นพระอินทร์ใช่ไหม พระอิงทร์ก็ตอบว่าใช่พระมหโหสถถามว่าพระองค์สเสด็จมาเพื่ออะไรพระอิงก็ตอบว่าเพื่อบรรกาศปัญญาของท่านพอพูดจบก็กลับเป็นพระอิงตามเดิมพอไปบรรยากาศรัดชมเชยมโหสถบัณฑิตในถ้ำกลางมหาชนไปอันมากตอนนี้ก็พูดถึงอมตะทักหน่อยอมตะเมื่อเฝ้าคอยดูมโหสถอยู่ข้าเห็นความเฉลียวฉลาดของมโหสถ ทีกพิจรารณาวินจัยความไม่ถูกต้องและยุติธรรมก็เฝ้าไว้เฝ้าไว้เจ้าวเิ เ, เทหราชไม่ส่งไปแล้วกราบทูลความเป็นมาความสามารถของโมสดว่าแม้แต่พระอิน์ก็ยังยกย่องส่งเสริญให้ทรงทราบพระกราบทูลว่าเหตุใดจึงมีรับให้มาเฝ้าพระเจ้ากาะพระเจ้าวิ เ, เ, เ, เทหราชก็จะถามเสนาบดีบัณฑิตเจ้าเท่าสารพัสคิดว่าท่านเห็นอย่างไร ควรใ้มหสถมาเฝ่าได้หรือยังเจ้าเท่าสรา พ, พัดพิจิตรท่านมีเสียนกกต้นต้นเป็นผู้มีจิตสิยาที่ในกราบทุนกราบทุนว่าบุคคลที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้เพียงเท่านี้ขอทรงรอดูไปก่อนเถิดไปเจ้าข่านี่พยอมเลยแล้วเป็นอันว่ามหาสดก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชากแสดงว่าถ้าหลวงปู่จะ พูดเล่าให้ฟังต่อไปถึงปัญหาข้างหน้าอีกเวลามันเหลือสองนาทีกว่าๆนี่ลูกหลักเพฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายการฟังเรื่องราวขาาองมโหสถอาจจะมีบางคนเข้ามาบอกลูกบอกหลานว่ามีมันเรื่องแต่งเล่นเรื่องทั้งสูตรนี้เชื่อไม่ได้ น, นิทานใครเขียนขึ้นมาอะไรทําไมทราบ อย่างนี้มันเกินวิสัยของคนมนุษย์ธรรมดานจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นปเป็นไอินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตัวเล็กๆเกีงแค่อายุเจ็ดปีจะเก่งกล้าแบบเกงกล้ า, บ แ, ลกกลาบแบบนี้มันเชื่อไม่ได้ข้อ น, นี้ขอลูกหลานทั้งหลายจงอย่าท้อใจขึ้นชื่อว่าปัญญาไม่จะหมายความว่าจะมีกับคนผู้ใหญ่กว่าที่ก็แก่กว่าเสมอไปเราเห็นได้ ว, ว่าบางคนศึกษามาดี เรียนแล้วดีแต่ท้าว่าดีแต่สัญญาคือความจำจำแต่คำเขาว่าจำแต่คำเขาพูดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความให้ท่องเทอในเรื่องความเป็นจริงเขาถมไปมีบุคคลบางไรายไม่เคยรู้หนงังสือเลยแต่ก็มีความแฉลลาดมีความสามารถกว่าคนที่เรียนหนังสือมาก็มีขึ้นชื่อว่าปัญญานี้มันไม่ใช่วัดถก ในการศึกษาความรู้มันนั้นมันเป็นทัญญาคืออ้างตำราเป็นสำคัญตำราในใครเขเขียนไว้มืไรก็ไม่ทราบมันจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนักมีคนโยคนหนึ่งทํางานบริษัทแห่งหนึ่งสมัยโน้นเงินเดือนเองินข้าวของเงินมันสูงแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่านออกเขียนได้รับตําแหน่งหน้าที่มาตั้งแต่พานโรง แั่วก็มีความชมนานาญใครก็ทําอะไรพันโรงนี้ก็ต้องทําทุกอย่างช่วยเขาทั้งหมดพระสายช่วยเขามาทีละเล็กแต่น้อยไอ้ความจําของแกมันดีเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างจำํำในที่สุดบริษัทแห่งนั้นเวลานั้นมีเงินเดือนสูงสุดสี่พันบาทคนนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเมียตราเงินเดือนสี่พันบาทไอ้ความจริง ความรู้เดิมพื้นฐานเดิมไม่มีอะไรแต่อาศัยที่เป็นคนยัญรหั่างจําแล้วก็ช่างคิดนี่ความคําว่าบัณฑิตก็คือเป็นคนรู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญานี่โลกหลังทีรักการฟังเรื่องราวเขามโหสถบัณฑิตแล้วก็คิดตามเลยด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะทํายังไงทําไมถึงตัดสินใจถูกข้อนี้เป็นเครื่องทิ่ตอนโลกหลานต้องเรนินใช้ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วนี่จ้ะก็อขอลากรอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคนสมบูรณ์ผลผลตงมีกระลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี